ตอนที่11อปฏิบัติแบบอุกฤตนั่งตลอดทั้งคืน พอได้รับบูบายจากอาจารย์แล้วก็รู้แน่วปฏิบัติไม่ยอมให้ขาดไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนคลายภาวนาพุทโธคำกลับไว้แนบติดในหัวใจตลอดเวลาไม่ทิ้งคำพุทโธนึกภาวนาใจสอหาเพียงทำน้อมบำรง เฝ้าแต่เดินจงกรมแทบล้มพับเพื่อระงับดวงจิตไม่ให้เพลอผิดไม่คิดบุนวายฝ่ายพดุงพอคำลงแล้วนั่งคืนยังรุง่งเพียนพยุงมุ่งทำนำใส่ใจเวทนาราวรุมดังสุมไฟตายก็ตายเป็นไรตายเพื่อทำ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 กระดูกอันนี้เรือคือตัวทุกหรือว่าทุกเป็นกระดูกไตรตรองให้ทุกจิตคอยคิดผูกพิจารณาถ้ากระดูกเป็นทุกจริงจังดังว่าทุกดับไปไม่มาแต่กระดูกยังมีแยกกายจิตวทนาดูให้ดีที่เคราะห์ทวนทวนที่มีสติปัญญา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 และอาจลืมคำว่าพระองค์บรินิพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้